อาหารกำลังย่ญยพอดีเยนะช่วงบ่ายเป็นช่วงที่ทีนามิทะซึ่งได้อาหารปัจจัย<อ>เนี่ยนะเรียกว่าอาหารเป็นอุปนิสัยอย่างดีของทีนามิทะก็เลยบางท่านก็บอกว่าช่วยบอกทีว่าทำไมกินอิ่มใบบ่ายแล้วทำไมจึงง่วงเข้าว่างั้น <c oughs> ก, ก, ก็ว่า ธาตุแห่งความเกียจคร้านมีอยู่เนี่ยนะเรียกว่าไอความหดหูภาษาธรรมะลีนะอะไรนั่นนะความหดหูแห่งจิตนี่มีอยู่อโยนิโสคือการทําจิตให้มากกับสิ่งนั้นบ่อยๆบ่อยๆอันนั้นแหละเป็นเหตุของถีนะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พ่อคูณมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคือใส่ใจถึงความอึดอัดใส่ใจถึงเรียกว่า ความหดหู่ความโทถอยอะไรเนี่ยนะคิดถึงอันนั้นบ่อยๆซ่ อ, องเสพ บ, บ่อยๆส่งเสริมมากๆพักเดียวก็เอาละทอะไรกันเอาให้เสร็จเลยนมาให้เสร็จทักทีอาจารย์บอกว่าเอาให้เสเสร จ ะ, ะจะได้ลงตัวท่าทีก็นับว่าเป็นนะครับว่าตัวกลาง ก, างกั้นกุศลไม่ใช่น้อยเลยนะทีห น, นั่นมีธาตุเนี่ยบอกว่าช้างตัวใหญ่ที่มันล้มทับเลยล่ะมันหนักไปหมดเนี่ยนะแม้กระทั่งเปลือกตาที่ปกติก็ไม่ได้หนักอะไรมีความรู้สึกหนักนะ ทีก็จะลืมไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะจิตตชรูปอ่อนโอ้ยรรยแรงไปหมดเนี่ยมะอะไรอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้เลยนะแล้วอุปมาเหมือนกับเข้าเรือนจํำหรือเปล่าทีนามิธะเนี่ยเข้าคุกเลยอยงั้นเนี่ยเขาบอกว่ามหารสศพเขาดียังไงอะไรยังไงก็ไม่ได้ไม่ทนได้ดูหรอกเพราะว่ามวัวแต่ติดคุกอยู่เข้างั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ทีนัมิธะครอบงำก็เหมือนกับติดคุกนั่นแหละ คนที่เจริญกุศลรธรรมเนี่ยนะไอ้องคุณอย่างหนึ่งก็คือตถาคตโพธิสัตธาหรือกรรมมัสกตาสัทธาเนี่ยต้องให้ดีเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะ คือในในสมัยที่ที่มันอสังคาริกซะส่วนใหญ่ในการเจริญกุศลเนี่ยนะต้องเยนะเออคือสมัยนี้เป็นอสังขาริกมากเพราะว่าในด้านธรรมะนะเพราะเขาชวนเรื่องอื่นมันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาศึกษาธรรมะนี่ก็ใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังค่อนข้างมากในการออกจากวัตถุกรรม ท, ทั่วไปเนี่ยนะมา มาศึกษาพระธรรมที่เป็นไปเพื่อออกจากกรามนั้นจะต้องใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังเป็นอย่างมากหลายท่านที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะมาคนเดียวที่มาคู่ไม่มากนักเนี่ยนะก็จะมาเดี่ยวเดี่วกันเนี่ยนะก็แสดงว่าอาสังขาริกเนี่ยนะพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าหากว่าพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในคำสอนไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันก็จะหนักมากมันเป็นการทวนกระแสเนี่ยนะ คือบุคคลที่ทวนกระแสเนี่ยนะถ้าใครที่เคยเดินรับน้ำเนี่ยจะรู้ว่ามันเดินเนี่ยเดินยากเดินเหนื่อยถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการทวนกระแสจริงๆก็เจริญกุศลโดยมากก็ไม่ค่อยตลอดรอบฟังไม่ค่อยตลอดสายเนี่ยนะพอไปเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างเจออะไรบ้างก็ท้อถอยเลิกเนี่ยนะผู้ที่เจริญกุศลกรร ม, มสกตาต้องดีๆจริงๆคือจักว่าใช้วิมังสาที่ปฏิให้มากเนี่ยนะ เพราะว่าถ้าวิมังสาที่ปฏิไม่ไม่ถึงเนี่ยนะก็ก็จะเบื่อซะก่อนแต่ถ้ารู้ประโยชน์นะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปรู้โทษของการไม่เจริญกุศลเลยว่าถ้าไม่เจริญแล้วมันเสียหายแค่ไหนเสียหายอย่างไรบ้างเนี่ยนะนะอันนี้ต้องแม่นมากๆเลยนะือคือโทษภัยของการไม่เจริญกุศลนะอย่างที่สองก็คือคุณของการเจริญกุศลเนี่ยนะนะ ก็ต้องรู้โทษของการไม่เจริญรู้คุณของการเจริญอันนี้สําคัญอย่างหนึ่งและที่สําคัญมากก็ต้องเพิ่มธาตุอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาคือคือได้ธาตุคือปัญญาแล้วก็ต้องเพิ่มธาตุคือความเพียรเข้ามาเนี่ยนะเรียกว่าอารัพธาตุต้องเป็นคนที่หมั่นเริเริ่มขยันนับหนึ่งใหม่เนี่ยนะข้ า, าว่าผิดก็เอาใหม่นะผิดก็เอาใหม่ผิดก็เอาใหม่เมนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่ ปกติแล้วไม่ชำนาญในเส้นนี้นะักเพราะฉะนั้นการตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ต้องถือว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยเช่นนั้นเนี่ยนะคือไม่ท้อแท้ไม่เลิกราอันนี้เรียกว่าอารัพาธาตุต่อไปก็นิคมาธาตุเนี่ยนะก็ต้องธาตุ ท, ที่อะไรอะเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่จากแรกๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะก็เพิ่มความเพียรไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนเดินออกกลาลังกายเนี่ยนะ แรกๆอาจจะแค่สินาทีก็ต้องเพิ่มเป็น15นาที20นาทีอ่ะต้องหัดเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นนิกกรรมธาตุเนี่ยนะต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ปรกรรมธาตุคือธาตุแห่งความบากบัน่นเนี่ยนะไม่เลิกไม่ราแล้วก็ต้องต่อเนื่องอนธาตุคือความเพียรนี่สําคัญแต่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเนี่ยนะ พอไปเจอนิกกรมาารราธาต์ธาต์แหงการริเริ่มแรกๆก็ไม่ไหวแล้วไปเจอนิกกรมาธาต์อีกมระชักไม่ค่อยไหวแล้วนะมันมันใส่มันจะยกธงเขาด้ว่อยนะมันจะยอมแพ้อยู่เรื่อยยอมแพ้อยู่เรื่อยนะี่แต่ถ้าหากว่าเห็นคุณของความเพียรอย่างเต็มที่ก็สามารถที่จะเจริญได้อย่างต่อเนื่องส่วนที่สําคัญเนี่ยนะในในการที่จะมีาธาตุคือความเพียรได้ ความเพีย r น, นั้นมีโอตตปะเป็นเหตุใกล้นะมีหรือ อ, อีกชื่อหนึ่งคือใช้คาว่าสังเวชนี่นะสังเวคะก็เป็นชื่อของโอตตปะที่เกิดพร้อมกับยานะเนี่ยนะที่เกิดพร้อมกับปัญญานะถ้าไม่มีโอตตปะอย่างแรงกล้าไม่มีปัญญาที่รอบรู้เหตุผลอย่างเพียงพอก็โดยมากไปไม่ค่อยรอดเนี่ยนะไปไม่ค่อยรอดที่ไม่ค่อยรอดคือเจริญกุศลได้ระยะหนึ่งอ่าสำนวนอีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าพวกหนึ่ง พอโล่มาแล้วก็จมลงเลยเนี่ย น, น, นมิดไปเลยเนี่ยนะถ้าถ้ามองแบบบุคคลเบื่บเปรียบเหมือนน้ําเนี่ยนะโล่มาไหนก็จมดิ่งไปเลยเนี่ยนะอีกโพลหนึ่งก็โล่แล้วก็ยังจมอยู่อีกเนี่ยนะโล่เสร็จแต่ว่าไม่ถึงกระดิ่งนะแต่ก็จมอยู่นั่นแหละอ่าบางพวกพอพโผล่เสร็จแล้วก็เงยขึ้นก็รักษาวไว้เท่านั้นแนะ่ะบางพวกก็เหลี้ยวดูทิศละเนี่ยนะว่าจะไปยังไงดีบ้าง ตรงไหนเป็นฝั่งตรงไหนไม่ใช่ฝั่งเนี่ยนะก็มองดูทิศทางแล้วไอ้บางพวกนี่ไหว้แล้วเนี่ยนะลงไม้ลงมือไหว้แล้อีกเจ้านึงก็ใกล้ๆบกแล้วนะไปยืนโน่นแหละชายกระกรนะชาชายน้ําหมืนะคือตัวอย่างแช่ น, น้ําแต่ว่ายืนเหยียบพื้นแล้วเนี่ยนะบางท่านก็เลยขึ้นบกเลยเนี่ยนะสบายแต่ในความรู้ความเข้าใจนี่นับว่าเป็นอาหารปัจจัยที่สําคัญมากๆในในบรรดาปัจจัยทั้งมวลเนี่ยนะ ถ้าหากว่าขาดความเข้าใจซะอย่างสัตทินรียนั้นถ้าไม่มีปัญญรียเกื้อกูลนะสัตทินรียก็จะเจริญได้ไม่นานเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอ่อนกําลังความเข้าใจไม่ดีพอความเพียรก็ไม่มีกําลังอีกเนี่ยนะความเพียรก็จะเลิกราทีนี้ถ้าธาตุคือความเพียรน้อยเกินไปสติไม่เกิดเนี่ยนะสตไิไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเพียรเนี่ยนะ คือหนึ่งะเพียนอ่านก็ยังไม่มีตั้งกระแรกแล้วจะเอาอะไรมาจําะที่ที่พอจะให้นึกอะไรออกใช่ไหมคือถ้าเพียนอ่านตั้งกระเรกๆกก็ไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยนะพอมาหนังสือที่ที่ต้องเพียนอ่านมากๆต้องใช้วิริยะมากๆเลยคือหนังสือที่มีบาลีมากๆเนี่ยนะบทว่าคําว่าอัดว่าบทว่าคําว่ า, วาอัดว่าอยู่เท่านี้แหละ ท, ที่ที่ไ ม, ไม่ไม่มีขยายเนื้อหาเท่าไหร่นะมีแต่บทว่าบทว่าบทว่าเนี่ย ขยายสักสองมาครึ่งบรรทัดบทละครึ่งบรรทัดครึ่งบรรทัดเนี่ยนะซึ่งเนื้อหาเบ็ดตกินกะเนี่ยมากนะเขาไม่ได้ขยายเป็นเรื่องเป็นราวนะโอยอย่างนี้ต้องใช้วิริยินซีเนี่ยมากนะอ่าแล้วมันง่วงบอกไม่ถูกผมเข้าใจว่าใจในสิ่งตรงนี้คือคือมันนานๆานจะได้บทที่เราพอใจปีติสักคำหนึ่งนะ พราะมันก็จะขยายเกี่ยวกับเรื่องศาสต์แสงมาจากภูธาติธาติณปัจจัยอย่างเงี้ยก็มาวิพัฒน์ว่าปรัสบทอัตโนบทอย่างเงี้ยนะก็วยากรนทั้งนั้นเลยนะนีพื้นฐานเรานี่ก็ไม่ค่อยรักวยากรนเดียวแล้วด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยกันนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยต้องใช้ความเพียรอย่างมากกับอย่างหนึ่งก็คืออภิธรรมนี่ก็ต้องใช้ความเพียรค่อนข้างสูงพอสมควรนะ หมายถึงอธิธรรมปีดกันนะต้องใช้ความเพียรค่อนข้างสูงมากแต่ทีนี้ถ้าไม่ใช้ความเพียรน่ะก็ยากเหมือนกันเนี่ยนะแต่ก็มีหลายๆส่วนที่เราไม่ต้องใช้ความเพียรคือส่วนไหนเรื่องไหนที่เราชอบส่วนนั้นไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรเลยเนี่ยนะอาศัยชอบเข้าว่าเรียกว่าฉันทาที่ปฏิเนี่ยนะเข้าไปนำเนี่ยนะบางบางอย่างก็ต้องโหวิริยาที่ปฏิเนี่ยมากบางอย่างก็ใช้วิมังสาที่ปฏิเป็นหลักเนี่ยนะ การเจริญกุศลนี้ความเข้าใจที่เรียกว่าวิมังสาธิบดีก็สำคัญเพื่อที่จะเป็นอาหารของสัตว์ทินซีและก็วิริยินซีก็จะเกิดขึ้นถ้าเพียรมากเป็นอาหารอย่างดีของสติเพราะคนที่หลงลืมสติส่วนมากมันต้องเพียรเกินไปะนะคนที่เหนื่อยมากๆเนี่ยจะเห็นคุณของสติใช่ไหมเหมือนกับว่าคนที่หลงที่ลืมนะถ้าให้เดินสัก20 30รอบนะ ตอนหลังมันจะรอบคอบมากขึ้นเพราะมันเหนื่อยแล้วไงเพยพะมันเหนื่อยก็เลยทําให้คิดรอบคอบขึ้นทําให้มันหลงลืมน้อยๆลงเนี่ยนะก็เห็นโทษของความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นสตินี้ก็อาศัยความเพียรเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าคนที่มีสติดีๆเนี่ยนะก็จิตก็ตั้งมั่นง่ายเนี่ยนะใจก็สงบเร็วแต่ถ้าสติไม่ดีก็ไปเรื่อยละ <c oughs> ในการเจริญกุศลถ้าถ้าจะให้ยกย่องเลยก็คือ อินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยก็ไม่ควรละเลยอินทรีย์ใดอินทรีหนึ่งเนี่ยนะก็ควรจะปรับตัวแต่ถามว่าในบรรดาอินทรีห้าอะไรเป็นสําคัญที่สุดพระผู้มีพระภาคแสดงว่าปัญญาสําคัญที่สุดเพราะว่าผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เป็นเหตุใกล้ของศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาก็เป็นเหตุใกล้ของความเพียรเนี่ยนผู้ที่มีความเพียรก็ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของสติเหมือนกันผู้ที่มีสติดีก็เป็นเหตุใกล้ของสมาธิ สมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาเนี่ยนะปัญญาก็ถ้ามีปัญญามากขึ้นก็จะศรัทธายิ่งขึ้นในคุณของพระพุทธเจ้ามันก็หมุนไปอย่างนี้นี่แหละเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ากุศลธรรมที่พัฒนาไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่มาลองมาดูอนุตริยะหนะตรงนี้พูดถึงอาหารของสัตว์ทินซเป็นอย่างดีเลยในหน้า26ข้อ430สสถ้าสุตระสูตรกล่าวว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะนย คืออนุตริยะหกหนึ่งก็ทัศนานุตริยะสองสวรานุตริยะสลาพานุตริยะสี่สิกานุตริยะห้าปาริจาริยานุตริยะหอนุสตานุตริยาเนี่ยนะก็คืออนุตริยะ6ควรรู้ยิ่งอนุตริยะนี้แปลว่าอย่างอื่นที่มันยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดว่างั้นเถอะอนุตริยะกับอนุตระมันจะคล้ายๆกัน ถ้าอนุตตระนี้ขยายที่โดยมากขยายที่คุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าอนุตตริยะอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการเห็นไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการฟังเนี่ยนะไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการได้ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการศึกษาไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการปรนนิบัติรับใช้อันนีปริเว่าปริจาริยาเนี่ยนะก็คือการปรนนิบัติรับใช้นั่นแหละ แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่าในการตามระลึกอนุสตาก็คือการตามระลึกนั่นเองเนี่ยนะทีนี้มาฟังถึงทัศนานุตริยะไม่มีอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าในการดูเนี่ยเป็นอย่างไรกล่าวว่าดูความพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างเนี่ยนะโบราณ น, นะมาแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ถามว่าถ้าสมัยนี้ดูอะไรก็ไปดูกีฬาทั้งหลายแหล่เป็นต้นไปดูมหรสพต่างๆเนี่ยนะก็คือก็อะไรก็ตามที่เป็นใช้ตาดูทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่ลืมตาแล้วดูภาพเนี่ยดูความพิสูน์ทั้งหลายทัศนะคือการเห็นนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีนะการดูอะดูจริงอะว่างนั้นเถอะเพราะจากขู่วิญญาณก็เป็นของจริงใช่ไหมดูแบบนั้นก็ดูจริงก็แต่ว่าทัศนนี้นั่นแลเลว เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนปุถุชนนี่แปลว่าเป็นของคนหนานะเป็นของไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเนะการดูทั่วๆไปนะไม่ได้เป็นไปเพื่อมรักผลอะไรเลยณนะนิพพิธายะ ไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพิทาคือไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนาสักข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะสังเกตนะถ้าดูดูเขาต่อยมวยอย่างเงี้ยนะพี่ที่คนไปเชียร์เยอะๆอย่างนั้นอนะ่ะถามว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวตัตฏะไหมเนี่ยนะคุณเจอมตอนที่ศึกษาธรรมะมากๆแล้วเขามีสมมติมีมวยโลกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ดูตอนนั้นเนี่ยนิพิทายะเกิดรึยังไหมไม่ค่อยมีนะตอนนั้นก็พลันไปเลยเนะ ใครจะชนะดีะับางทีกน็นึกได้เหมือนกัน <laughs> นานๆทีอง <laughs> นะนะ <laughs> <น> <laughs> อยากให้ฝ่ายเราเนี่ยนะใช้หมัดเดียวแล้วน็อกไปเลยนะช่วยพยาบาทวิทวิงสาวิตกพระเอก <laughs> นะนะมันจะรู้ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในวัตะอะไรเลยเนี่ยนะก็นนิพพานนี่คือเบื่อหน่ายในวัตะคลายกำหนัดก็คือคลายกำหนัดในวัตะ เพื่อความดับวัตตะเพื่อสงบประงับวัตตะเพื่อรู้ยิ่งซึ่งวตตะนะเพื่อตรัสรู้วัตตะแล้วก็เพื่อตรัสรู้นิพพานก็จะไม่มีเนี่ยนะการดูการเห็นทั่ ว, วไปสังเกตดูว่าการดูใดก็ตามถ้าไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนามกผลการดูนั้นไม่เชื่อว่าอนุเตยะการดูเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นการดูที่เลวบา ง, งันไม่ประเสริฐ ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรเลยประโยชน์โลกนี้ก็ไม่มีประโยชน์โลกหน้าก็ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็ก็ไม่ได้นอกอย่างเดียวคือส่งเสริมโลภะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดมากขึ้นโลภะที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหง า, งามางามเอา้างามเอาเนี่ยนะใสปุ๋ยอย่างดีให้อย่างดีงดจเจริญเนีย่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนผู้ใดแลเนะี่ยมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายเนี่ยนะในบรรดาสิ่งที่ควรเห็นทั้งหมดนะหมายถึงการเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตยอดเยี่ยมที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า ย, ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้สอข้อแรกนะเป็นไปเพื่อบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมห oh ะ เป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกปริเทวะเนี่ยนะความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโธมนันทเพื่อบรุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะการเห็นเนี่ยสำคัญมากนะถ้าไม่สำคัญมากนั้นพระองค์จะไม่ยกย่องเท่ากับสติปัฏฐานอ่ะ น, นะแสดงอันนี้สองอันนี้เท่ากับสติปัฏฐานเย น, นะ ที่สติปฐานสูตรที่พระองค์แสดงว่าดูการที่สูตทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือสิ่งนี้นั่นเองเพื่อก้าวล่วงโสกกะปริเทวเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมานัทเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำพันนิผานให้แจง้งอันนี้เดือนกันไหมการเห็นกับการปฏิบัติสติปฐานพระองค์ยกอา น, นิสงส์มาแสดงเท่ากันแสดงว่ามีสําคัญมากในการการดูการเห็นเนี่ยนะ ดูความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งไปเห็นพระตถ า, าคตหรือสาวกของพระตถ า, าคตนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะเนี่ยนะทัศนานุตริยะนี้เป็นดังนี้ <c oughs> ก็ทัศนานุตริยะถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยนะเขาไปเพื่อจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านพาหาิยะธารุเจริยาเนี่ยนะท่านก็เดินทางไกลไปเพื่อเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็ได้ตรัสรู้บรรลุมรรคผลหรือแม้กระทั่งสาวกอื่นๆเนี่ยนะท่านปุกุตสาติเป็นต้นก็เดินทางไกลไปเพื่อที่จะเห็นพระพุทธเจ้าการเห็นของท่านก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยนะจากวัตตะทั้งหลายการเห็นนี่ก็เป็นบาสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะแต่คนในโลกนี้ก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะพวกอยากเห็นกับพวกไม่อยากเห็น พวกหนึ่งก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าพวกหนึ่งก็ไม่อยากเห็นพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาก็ไม่ได้ประสงค์จะเห็นพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนะถึงคืออาจจะมุ่งเห็นก็เห็นด้วยจกักโสเฉยๆนะแต่ว่าในด้านเห็นด้วยปัญญาจริงๆก็ไม่ได้มุ่งจะเห็นอันนั้นคําว่าเห็นในที่นี้คงไม่ใช่เน้นแต่เฉพาะจักขู่วิญญาณนะเน้นไปที่ปัญญาจากักโสด้วยเหมือนกันเนี่ยนะ คือถ้าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์บอกว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นเนี่ยนะร่างกายที่เปื่อยเน่านี้เนี่ยนะประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เห็นคุณของพระองค์ที่มีอยู่จริงด้วยตรงนั้นแหละจริงจะเรียกว่าเป็นการเห็นที่ที่ประเสริฐละเนี่ยนะเป็นการเห็นที่ประเสริฐอย่างแท้จริงคือเห็นพระองค์ด้วยอันนนเห็น รูปประขันแต่ว่าไม่ได้มุ่งที่เห็นรูปประขันอย่างเดียวควรที่จะเห็นนามขันอื่นๆของพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหคือควรที่จะเห็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันของพระองค์ที่นี้ในบรรดานามขันของพระองค์เนี่ยนะเวทนาขันของพระพุทธเจ้าไม่มีโทมนัสเวทนาขันเกิดขึ้นเนี่ยนะสัญญาขันที่เกิดร่วมกับอคูสลธรรมทุกชนิดไม่มี สังขารขันที่เป็นอกุศลไม่มีวิญญาณขันที่เกิดที่เป็นอกุศลไม่มีก็มีแต่นามขันที่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นชาติวิบากชาติกิริยาแล้วก็ชาตาิมีสองชาตินะชาติวิบากกับชาติกิริยาทีนี้ในบรรดาชาติกิริยาก็คือมหากุศลก็ไปมหากิริยาก็เป็นสัพพัญญุตญาเนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งอรหั ต, ตผ ล, ลจิตของพระ อ, องค์ก็ในประเภทวิบากจิตถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระ อ, องค์เหล่านั้นนนั้นก็เชื่อว่าเห็นเห็นพระ อ, องค์อย่างแท้จริงเนี่ยนะยาณสัมปยุตของพระ อ, องค์นี้ถามว่าเป็นสัพพัญยุตยามทุกครั้งไหมที่ที่เป็นญานสัมปยุต คิดว่าไม่น่าใช่เห็นไหมคือคือสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยเนื่องด้วยอวัชนะใช่ไหมคือพระองค์ประสงค์จะนึกอะไรก็ก็รู้ถ้าไม่ประสงค์ก็ไม่รู้คือคือชาวนะจะเกิดขึ้นมันต้องด้วยอวัชนะก่อนใช่ไหมทีนี้ถ้าอาวัชนะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นถ้าปารพด้วยสัพพัญยุตยานก็รู้เนี่ยนะถ้าปารพจะรู้สิ่งใดก็รู้ทันทีเนี่ยนะ คือใ น, ในบรรดาญาณของพระองค์เนี่ยญาณเนี่ยเป็นไปกับหลายๆเรื่องมากไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวสัพพัญญุตญาณอย่างเดียวก็เป็นไปกับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเช่นเป็นไปกับเวสารัชญาณบ้างเป็นไปกับญาณที่กําหนดกําเนิดสบ้างเนี่ยนะแต่ว่าบรรดาญาณสําคัญสำคั ญ, คญทั้ง6ประการก็คืออาสาธารณะญาณเนี่ยถ้าปารลสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะต้องรู้อย่างทะลปุปรุโปร่งหมดไม่มีส่วนเหลือ นี่มาดูถึงสวนานุตริยะนะว่าเป็นไนดูการพ่สูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ําต่ำเนี่ยะก็ไปฟังดนตรีนะสมัยที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยโหบัตรไม่ค่อยจะพอนะ mm hmm. ไปเพื่อที่จะไปเห็นไปเพื่อที่จะไปฟังเนี่ยนะ mm hmm. ไม่รู้ฟังออกหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าโหไปกันเต็มสนามไปหมดเลยบัตรนี้ไม่ค่อยพอเลยนะ ก็ไปเพื่อที่จะฟังเสียงทั้งหลายแลนี่แหละหรือไม่ก็ไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดบ้างคือไปฟังลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยบ้างไปไปเพื่อฟังข้อปฏิบัติผิดผิดนี่บ้างคือการดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีเนี่ยนะคือเช่นการประกาศลัทธิว่าทานไม่มีผลเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะการฟังการได้ยินสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ ก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยนะคือการฟังใดก็ตามถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่ อ, อวิปัสสนามักคลนิพพานการฟังนั้นก็ชื่อว่าไม่ประเสริฐอะไรเลยเนี่ยนะ ถ้าไม่เป็นไปล่ะก็แสดงว่าเป็นไปเพื่อเพลิดเพลินในวัตฏะถ้าอันนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ประเสริฐแล้วใช่ไหมคาว่าความเบื่อหน่ายตรงนี้นะเป็นชื่อของวิปัสสนาคลายกาหนัดก็เป็นชื่อของมัชดับตัวนั้นเป็นชื่อของผลสงบระงับก็เป็นชื่อของอริยผลรู้ยิ่งตรัสรู้เป็นชื่อของมัชนิพพานก็นิพพานตรงตัวนี่นะ ถ้าจะว่าไปแล้วตั้งแต่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับสงบประงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานก็เป็นชื่อของมรรคผลนิพพานนั่นเองเนี่ยนะเอาเป็นว่าไปฟังอะไรก็ตามถ้าไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจการฟังเหล่านั้นถือว่าเลวเนี่ยนะเอาแบบสรุปภาษาเราๆเลยนะภาษาธรรมะเลยนะคือการฟังนั้นมีอยู่ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจอะไรเลย เพราะฉะนั้นเรียกรวมๆ ว, ว่าเลวเพราะอะไรเพราะว่าจมอยู่ในวัตตะอยู่ดีถึงแตกฉานสิ่งนั้นมากก็อยู่ในวัตฏะฝ้าวัตฏะอยู่ดีเนี่ยนะเอาอย่างงี้นะว่าในสิ่งที่เราฟังทั้งหมดเนะี่ยมีวิชาไหนบ้างที่สอนให้ออกจากวัตฏะเนี่ยนะที่ที่ที่ร่ำเรียนทุกๆวิชากันเลยเนี่ยนะเว้นแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเสียวิชาที่เหลือพันในวัตฏะหมดเลยเนี่ยนะเอาในฐานะ คุณเจ้อมกับผู้ ก, การอย่างเงี้ยนะในฐานะผู้คงแกเรียนอย่างเงี้ยนะก็ถามมาเอ๊มีวิชาไหนบ้างที่สอนให้เห็นโทษของวัตตะโดยส่วนเดียวน่ะนะเออเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะควรจะออกนะถ้ายิ่งอยู่นานนะมันจะทุกข์เช่นนี้เช่นนี้มีไหมผู้การไม่มีนะให้จมลึกๆเข้าไปดิ่งเขา้าไปยังไแล้วก็โดยรวมๆแล้วทางธรรมะก็ถือว่านั้นไม่ดีนะไม่ดีก็แปลว่าเลวนั่นเอง ดูการพิสูจนทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัท ธ, ธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัท ธ, ธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน โดยการพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวานานุตริยะเนี่ยนะการฟังที่ประเสริฐอย่างแท้จริงก็คือการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมในที่นี้ให้รู้เถอว่าฟังอริยสัจนะ <c oughs> ฟังฟังธรรมะในใ น, ในพระพุทธศาสนานะถ้าฟังแล้วอ่ะ แยกเป็นอริยสัจไม่ได้นี่ก็โหหนักหนามากๆหรือแม้กระทั่งตั้งหัวข้อใดก็ตามถ้าไม่เกื้อกูลต่อการรู้อริยสัจนะอันนั้นถือว่าผิดพลาดมากๆเลยถือว่าไม่ไม่ใช่ของของพระพุทธเจ้ า, าเพราะของพระพุทธเจ้าเนี่ยการแสดงนะอย่างน้อยที่สุดต้องประกาศทุกขสั์กับสมุทยัยสัจไว้ก่อนเนี่ยนะกับสําหรับบางคนนะอาจจะยังไม่แสดงมรรคสัจกับนิโรธสัจแต่จะชี้สองอย่างให้เห็น คือทุกข์กับสมุทยัยเช่นชี้กรรมและผลของกรรมให้เห็นชี้โทษชี้ภัยของกิเลสบางอย่างขึ้นเนี่ยนะอาจจะชี้สัจจะได้สัจจะหนึ่งเป็นพิเศษในขณะนั้นนั้นแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วถ้าแยกแยะเป็นเนี่ยในบทนั้นๆจะประกาศอริยสัจอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะถ้าถ้าแยกเป็นนะถามว่าอย่างบทเนี่ยแยกสัจจะอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเช่นพูดถึงการฟังทั่วๆไป โดยสภาวะของการฟังนี้เป็นสัจจะอะไรการฟังนะที่จะฟังได้นะอาศัยหนึ่งหูหนึ่งหูสองเสียงสโสตะวิญญาณเนี่ยนะสอย่างประชุมกันนี่แหละเรียกว่าภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัญหาตันหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ น, นะแกพบกรรมมาพบ น, นะพบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็เป็นปัจจัยแก่ชรามรณาโศกปริเทวทุกโธมนณตอุปายาตบรรพู้ที่เพลิดเพลินในเรื่องราวที่เกิดการฟังที่ที่เพลินเพลินด้วยอำ น, นาจฉันทะราคะเนี่ยนะการฟังเหล่านี้นี่แหละที่เป็นไปเพื่อหมกมุ่นในวัตตะอันนี้ก็ประกาศสัจจะแล้วใช่ไหมประกาศทุกขสัมมุทัยของผู้ที่ลุ่มหลงในวัตตะ แต่ก็ถ้าหากว่าไปฟังธรรมะของพระตถาคตล่ะหรือสาวกของพระตถาคตสแสดงก็คือฟังว่าเนี่ยนะคือฟังว่าหูกระเสียงเกิดโสตะวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษ ะ, ะ, ะ, ะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาโดยปกตินะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะสํารอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะสํารอกตันหาสํารอกตันหาที่ไหนสํารอกตันหาที่มีในหูสํารอกตันหาใน เสียงสัรอกตันหาในโสตวิญญาณสัมรอกตันหาในโสตสัมผัสสัมรอกตันหาในโสตสัมผัสชาเวทนาเมื่อตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณโาโสกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาก็ก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟังธรรมที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในวัตต เบื่อหน่ายในอะไรว่าตะคืออะไรก็เบื่อหน่ายในหูเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในโสตะวิญญาณเบื่อหน่ายในโสตะสัมผัสเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายขันท่าขอให้รู้เถอว่าสิ่งที่ฟังนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าคือคือบางครั้งเนี่ยตอนฟังอาจจะยังไม่เบื่อหน่ายแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยแห่งการเบื่อหน่ายถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าไม่เป็นอุปนิสัยเลยเนี่ยนะก็แสดงว่าผิดใช้ไม่ได้ก็เป็นไปเพื่อจมในวัตตะเนี่ยนะไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์ขึ้นเลย